ขอเพราะว่ามันนั้นใกหน้าตจผู้ปเป็นทวงใจของเทว ด, ดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบน้ำมัต ก, การพคนครูบาจารย์พระเทลานุเถะทุกทุกท่านเด็กเต็น้ต็้งพ่อและอดีกนทุกทุกคนจะเริยนพร้อมไม่ีอุบาทว์อุบายิกาและผู้เผยธรรมทั้งหลาย ตั้งใจฟังไม่รู้จะเอาอะไรพูดให้ฟังอรอกวันนี้ไม่คิดเห็นคําพูดอะไรเลยฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังออพวกเรามาที่นี่คือตั้งอกตั้งใจว่าจะมาประเทปฏิบัติธรรมนี่แหละล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจฟังตั้งใจตั้งอกตั้งใจทำให้มันได้ เราเสียเวลาอันมีค่าที่ตละดบ้านเมืองมาที่นี่ขอให้ตั้งใจทําตั้งใจฟังเพราะที่นี่นั้นไม่เหมือนม า, มาที่นี่ไม่เหมือนเราไปเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือนี่เราเรียนรูกก้จำรู้จับเรียนรู้ถึงฟังกชันสูงแล้วก็ออกมาเป็นอาชีพ ก็อาศัยอวิชาของมรู้อนี่ยส่วนมาที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเรามาตั้งอกตั้งแใจปฏิบัติให้ธรรมะนั่นนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราอรูหนังสือก็มายันได้มาปฏิบัติได้ไม่รู้หนังสือก็มาปฏิบัติได้เนี่ย ขอให้มีคนนึกถึงโคต้ก็แาเล้ยแต่ก็ดีแล้วถ้าอย่างที่คนที่ตายเป็นนรื่องความพลาดแล้วจริงในแต่มือก็ทดลองมาทําแล้วไม่เป็นอาจารย์ไปเผยแพร่ทั่วประเทศเลยเนี่ยคำพูดคําสอนของผููเทียนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเราวพอเกิดมาเพิ่งมาเห็นนี่แหละคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ พูดแต่ความจริงออกมาธรรมะเนี่ยออกมาคือออกมายักกิดจากใจจากสันดานของเราทุกๆคนเลยน่าอัศจรรย์ไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อมาดินที่แรกน้ำตาไหลเลยไม่มีใครจะมาสอนสอนั่งชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเกิดมานานแล้วเพิ่งมาเห็นนี่แหละมาเห็นแล้วก็ลองมาประพฤติปฏิบัติดู ก็สมความมุ่งมากปรารถนาที่เราคิดไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคำถามของท่งานเป็นยังไงและ ต, ววตรวองพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนี่ก็ลองมาทดลองดูพอมาทำไปแล้วเราเข้าใจเรื่องชีวิตจิต ใ, ใจของเราแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ที่ไหนเ็าอยู่กับพวกเราทุกๆคนคือความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกคนความยกมือ ให้มันรู้เนี่ยรูเฉยๆลูไม่เอาอะไรให้ลูไปอยู่ตลอดวันเดินไปแล้วก็ขาก้าวไปตินเท่าข้างใต้ข้างขวาเออมันกระทบกับพื้นก็ให้ลู้ไปให้ลูไปไม่ไปจ้องไม่ไปเพ่งไปเลียงมันมีแต่เดินยกไปเฉยๆนั่งอยู่ก็ยกมือขึ้นเฉยๆไม่ไปเพ่งไปจ้อง เลยแล้วก็จิตใจของเราก็อยู่กับตัวรู้สึกเรื่อยๆเรื่อยๆไปแล้วมันเป็นอะไรไมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นแล้ววะเนี่ยทางกายไม่ก็สแสดงออกมาให้เราเห็นทางจิตใจไม่ก็สแสดงออกมาให้เราเห็นแต่เรายังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าไม่ใช่ธรรมะไม่รู้ว่า ทำไมมันเกิดมาทำไมไม่ไม่อยากให้มันเกิดก็มันก็เกิดไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นเป็นปวดหัวก็ปวดหัวแต้นหน้าอกก็หน้าอกทั้งสารพัดทั้งหมดมันจะเป็นไปแล้วก็อดทนต่อสู้มันมันอยู่นั่นแหละแต่พออาจารย์มาสอนมาถามนี่ก็เป็นอะไรหลวงพ่อเป็นยังไงก็ไม่รู้จักจะตอบท่านว่ายังไงก็ ทานก็บอกว่ามาจับแขนนี่ก็ว่านี่เราเนี่ยนะพ่อมาแขนทำมาจับขาว่าขามาจับที่นี้ก็ว่าที่อันนั่นแหละแล้แล้วก็ต่อไปพออันทวนที่มันเป็นนั่นท่านก็ไม่เห็นเลยถามมีแต่แต่ตอบว่ามันมันจะของตอบให้ท่านฟังเองว่าปวดโอ้มันเจ็บปวดแท่งปวดขาเนี่ยปวด ค่อๆมีโตัวมีตัวมีตัวหวงพ่อวิ่งไปที่นั่นวิ่งไปที่นี่จนว่าฝาอดทนไม่ไหวมันเป็นอยู่นี่แล้วก็ความทุกข์สั้นลำคาญความหวงง้างเหาเหานอนมันมาหัวสมุนอยู่ไม่เห็นทางที่จะไปเลยเป็นหัวหัวหัวมตาทางที่ทำมาดีๆนี่ก็มีแต่หลุมแต่บ่อคือทําดีดีพอสมควร บัดมาเข้ามาเดินมาทําแล้วมันมีแต่หนุนแต่บ่อร่วมมาลุกคุกคานไปอย่างนั้นแหละทั้งขี้เกียจที่ขั้นทึ้งอยากหนีทั้งจิตใจเมื่อก็คนที่ออกไปนอกไปไปหาลูกหาเต้าไปหาได้หานาหาเต่ลวหาสวนที่เราทําไวเราทําอะไรไว้มันจะไปที่นั้นเลยมีหมูมีผัวมีเสษแล้วมันก็ไปเที่ยวไปเนี่ยไปความคิดเนี่ยพอ พอมาปฏปิบัตินั่งอยู่มันก็ไม่คิดพอมาปฏิบัติเข้าร่างนี่แหละมันลังมาทาาั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบน<ร>ันสารพัดแต่เดมันจะเกิดขึ้นมาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็น น, นี้สารพัดแต่เดีมันจะเป็นไปแล้วก็พอท่านมาพูดให้ฟังพูดให้ฟังพยายามฟังก็งไม่เข้าใจท่านพูดเรื่องเดียวนั่นแหละไม่ได้พูดเรื่องอื่นเอแล้วก็ อยู่ยต่อมาค่อยหลายวันเข้าหลายวันเขาก็ค่อยรู้จักเขารู้จักเขามันท่วงถามทักท้วงกันเป็ น, เ, ปนเวลามันเกลียดมันข้านึงเนี้ยเมืก่ก็ถามมาอะไรเอมาเรามันจะพาไปกูไปไหนไม่ต้องไปละมามาอะไรมาปฏิบัติธรรมคนหนึ่งตอบคนนึงถามไปแล้วเมื่อก็รู้จักภาษากันแล้วก็กูหนีมึงไม่หนี ถ้าถ้ามึงนันะมึงไม่า ม, า, ม, า, มาทําแบบเหมือนกูนี่มึงก็ไปค่ะกูจะหยุดกูปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็บอกมันเท่านั้นแหละก็เลยทําไปทําไปเกิดอันนั้นขึ้นมาเกิดอันนี้ขึ้มาสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นยุ่งเหยิงสับสนไปหมดเลยแต่บัด น, นี้พอเข้ามาหลายวันเข้าหลายวันเข้าก็อค่อยถนอมตัวเอง มันเป็นอะไรก็ช่างมัน่ไปเดินก็ค่อยๆเดินไปไม่ลุกหนีลุกลนไม่ถ้าเยอทยานไปทีไหนล่ะค่อยอดทนต่อตู้อุปตตร์ถึงที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเออมันก็ค่อยเข้าใจเข้าเข้าใจเข้ามันก็รู้จักรู้จักรกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปก็ท่านบอกว่าอยู่ความรู้สึกก็เท้าตกพื้นก็ค่อย รู้สึกเข้ารู้สึกเข้าแล้วพ่อจิตใจมันก็ค่อยสว่างสวัยไปเอาเองค่อยบอค่อยดูรู้จักการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ค่อยรู้สึกรู้สึกวพามันคิดออกไปแล้วก็มาอยู่อาศัยตัวรู้สึกนี่ตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้จักไม่รู้จักอันที่พึ่งที่อาศัยมันมันก็ไปตามความคิดเรื่อยๆไปคิดทั้งอดีตทั้งอนาคต เลยสนุกเป็นสนุกสนานไปกับมันเลยเนี่บัดมาเข้าใจแล้วอันนั้นมันแฉะทางแล้วผิดทางไปหมดนั่นแหะสัญชาตญาณของเราสิ่งที่มันเกิดมาน่ยมันทําให้เราทุกเราลําบากยากเห็นเราไม่รู้จักเกียไม่รู้จักปลดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักเถาะถนอมมันมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่นั้นแหละเป็นทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นแต่คนเดียว พอเรามาเห็นแล้วเราจะมีที่พึ่งที่อาศัยความตัวจิตตัวใจของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ขัดมันเนี่ยมันจะหลงที่ยไปงันแหละมันออกจากตัวเราไปมันก็จะเป็นความหิดถ้าเราดึงเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวรู้ตัวสติตัวปัญญาของเราแต่ว่าใหม่ๆนี้มันก็ยังไม่ชำนิชำนานมันก็มันเคยม่เคยอย่างเคยเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้น พอเราไม่เคยมาฝึกไม่ได้มาหัดมันมันก็เป็นไปตามยถากรรมมัน อ, อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็อยู่ต่อมาต่อมาอีกเราก็ค่อยค่อยพยายามมันชวนเราไปที่นู้นมันชวนเราไปนีน้เราไม่ต้องไปอยู่กับนี่แหละอยู่กับเดินเดินอยู่เนี่ยถ้านั่งทั้งทั้งจังหวะอยู่ก็มันชวนลุกไปเดินเถอะไปเที่ยวที่นั่นเถอะที่นี่เถอะ วายไม่ต้องไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้กูรู้กูรู้จากจากมึงแล้วกูไม่ไปกับมึงอีกแล้ววันนี้ตั้งแต่กี่กูตั้งแต่ก่อนกูเป็นทาสของมึงมาตั้งตั้งหลายหลายปีเนี่ยอายุตั้งแต่โน่นแหะตั้งแต่เกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วอายุได้ห้าสิบเจ็ดปีหลวงพ่อมาบวชอยู่เด็ดเวลาอยู่ปีหนึ่งปีที่สองนี่วัดจะมาศึกก็ หลวงปู่ท่านให้ไปเข้าติดไิลาตกรรมที่บ้านกูทั้งใจไปอยู่ที่นั่นแหละได้มาเข้าใจเห็นท่านพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อพอพอหลวงพ่อเขียนเรานี่แหละไปคนหนึ่งไปเทศให้ฟังแล้วก็พบวันสุดท้ายก็ไปเอากระดาษกับปากกา ไปให้หลวงพ่อเขียนใหผมด้วยอันที water and water and water ่ของพ่อเช่เมื่อเช้าเนี่ยผมอยากเอาประเทศให้พวกญาติโยมทางบ้านฟังท่านก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อไม่ไม่ไว้ใจไม่รู้ว่าปะเทศเลี้ยงอะไรจะเอาเขียนเขียนไม่ถูกหรอกเขียนไม่ได้หรอกเพรไม่โดยเรียนไม่เรียนมาเลยหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยากได้ก็ให้มา มามามาฝึกเรามาปฏิบัติแบบแบบนี้แหละแบบพี่หลวงพ่อพามาทําอยู่เนี้อ๋อผมไม่เคยได้เรียนมามาจะพูดแต่เรืองหลวงพ่อพูดไดไม่พูดได้มันจะไปไหนทางก็จำให้ดังใจทาพูดก็คิดจอกไปบ้าเรานี่ยต้องพิสูจน์ดูได้ไม่ได้ก็ตามให้ขอได้ลองพิสูจน์ดูว่า ตั้งแต่ก่อนนะว่าพาาระอรหันต์มีมีอยู่ตั้งแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้หมดทุกบทสมัยแล้วหมดเหตุของพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่พระสมุทรพวกเรานี่แหละอยู่ยุคกว่านี้ก็ได้คุยกันคุยกันแล้วพอพอมาเห็นนี่แหละถามว่าพาาระอรหันต์คือไม่เห็นขอเหินเดินนะขาด น, น้ำบุญบัญน้ำน้ำดีแน่หลวงพ่อ ทา่านก็ไม่โง่พระหลัานไม่เท่งั้นพระหลัานคือหานหน้าห้ยจากกิเลสนี่แหละท่านว่าั้นคนธรรมดาของเรานี่แหละพระหักฐานนะขอให้ออก ก, กกินได้มันก็พระเป็นพระหักฐนเท่านั้นท่านว่าพูนอย่างนี้แล้วถ้าผมไปเทศนว่าผมไปปฏิบัติบัญญัตพูดได้เหมือนน้องขวบวพูดไปงี้แหละก็ท่านก็นว่ารับรองเนี่ยก็ ว่าวางั้นก็ไปหาหาคนไหนที่ไม่ไม่รู้จักที่จะไปไม่รู้ว่าที่ตำแนังไหนครับท่านเอาธรรมะมาลงมามาสอนกันไม่รู้จักก็เลยถามว่าโอ้พระหลวงพ่อจรัญมาจากบ้านห้วยนั่นแหละท่านมาจากเราไปเรียนมาจากวัฒนธรรมไหนว่างนั้นแล้วก็ไปขอ ไปทักไปกับท่านหลวงพ่อให้ผมขอไปด้วยได้ไหมจะไปไหนไปไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านว่าโอ้ยไปปฏิบัติไม่ได้ล็อกล็อก้งเจ้าเนียวซะวันน่ะโอ้เมื่อคือยังขักถือพระนอยู่บ้างเออต้องแก่หลวงพ่อก็ยังไปปฏิบัติได้ครับบ้านสียเขาเขาไ่เขาไม่ให้ถูบุหรีนะ ท่านท่านพูดว่างนี้ไม่ให้สูบบุหรี่เราก็ไม่ให้คุยกันจะไปไหนมาไหนนี่ต้องปฏิบัติต้องฝึกบดทุกอย่างกินข้าวก็ได้ฝึกเดินตรงกลมก็ได้ฝึกฝึกมดท่านจะอดเด็ทนไหมตอนกลางวันก็ไม่ให้ได้นอนแต่ผมพอก็ยังทําได้ครับเออถ้ามันไปได้ทำนั้นว่างนั้นโอยไปละไปปฏิบัติอยู่วัดต่น้ํำในไปแล้วก็ ไม่เคยไม่เคยตกทุกข์ไดยากถึงขนาดนั้นเลยมีเท่านั้นแหละทุกเกิดมาอะไรก็อะไรมีแต่เรองทุกข์อย่างทุกข์เลยเพราะว่าเราไม่เคยตกประการแบบนั้นความง่วงเงงหายนอนความดังเรศสงสัยความฟุงซ่านลำคาญความเก็บความปวดคนเหนื่ยความร่าความหิวความอาคายพยาบาทต้าและพัฒยังไม่เกิดมาเกิดมาให้เราเห็นจน ทำไมจิตอยู่ได้เนาะเป็นไงหรอเนี่ยอทนไหวไมเนาะก็ต you know? so, ั้งแต่ท่านคนที่มาก่อนอ้ปุณกูบาอาจารย์ท่านก็จะอจะยากเหมือนกันท่านก็ยังอดใจอยู่ได้ท่านก็ยังทุปฏิบัติไดู้อดทนต่อสู้ไปไปพอรู้จักเข้าใจอารมณ์รูปนาท่านนะฮะโอ้ยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ มดเล ย, เลยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เข้าใจก็เข้าใจใตั้งแต่ก่อนไม่ลึกไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเกิดขึ้นมาแล้วก็<อ>มันมีความภาคภูมิควมปิมติอิ่มอยู่ในใจิตในเจอย่าทำนั่นะนะนั่นนั่นนั่นะเนี่ทำให้มันติดเป็นลูกทั่วไ ป, ไปอันตัวเนี่ตัวที่เราทําอยู่ในยกมือนะตัวรู้สึกเนี่ยให้มันเกิดเองยม ถ้ามาเกิดเอียนแล้วน่ะมันเป็นมหาสติเนยากจะเดินไปไหนมาไหนก้าวพลิกจริงตัวเดี๋ยวใช่แล้วหัวมันจะเห็นมันจะเข้าใจเองไปไหนไปไหนเนี่ยจะลุกมันก็กไม่ได้กําหนดแม่งก็รู้จักจะเดินไปไหนแม่งก็รู้จักจะจับจะบายอะไรเนี่มันมันมันไม่ต้องไปเป็นบอกมันมันคอยเข้าใจเองน่าจะรย์เหมือนกันแหะเนี่ยความ ขึ้นะมีตติภัมปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเองเนี่ยมันจะรู้เท่าตัวเท่านั่นเลยเหมือนมีตารอกเลยในตัวเราเนี่ยเออคิดไปไหนค่อยมาถามอะไรไม่ไม่ค่อยเกินไม่ไม่มีทุกชนเนี่ยปากได้พูดได้ไม่ต้องกลัวใครพูดไปตามนี่แหละตามตัวเราได้แหละไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เรียนมา อยู่ในตัวหนังสือเราในเองในหัวคิตทัติปัญญาของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยตัวรู้ตัวเนี่ยเราปล่อยไปตามยถากรรมตั้งแต่เราออกจากพ่อจากแม่มารู้จักรู้สึกภาษาเท่าไหร่ก็ยิ่งปล่อยออกนอกไปตะพืตะพือไม่เคยเอาเข้ามาอยู่ใส่เนื้อใส่ตัวเราเลยครับครูบาอาจารย์ท่านว่า แต่นี่มาเรียนเขาเรามันเป็นมหาสติตัวสติตัวปัญญาของเราเนี่ยมันจะเต็มขึ้นเองเดี๋ยวเนี้มันไม่มีมันมีแต่อากาศเฉยๆอยู่ในตัวของเราเนี่ยแต่ตัวสติปัญญาของเราเนี่ยมีแต่แฉ่ออกนอกไปตะพุ่ยูไม่ค่อยอยู่อยู่ที่อยู่ทางอยู่ในตัวในตนของเราไม่มีถูกตาหูจหมูกดิ้นกายใจรูปเสียงกิน่นรสโพธิพระธระมรมลม มันดึงออกนอกไปงดเลยหมดเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรไม่มีเหลือมีแต่กายของเราเท่านั้นแหละตกไปเป็นทาสของเขาซ่แล้วแต่เขาจะใช้เรายามคืนนอนฝันกลางวันยังนั่งคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องดีเรื่องชั่วเตาระพัฒนาพาคิดไปคิดอิจฉาคิดพระยาบัตคิดอยากได้อย่างนั้นคิดอยากได้อย่างนี้ตาละพัฒนาไม่คิดไปอไม่มีทางจน คิดอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้ววันนี้พอเรามาเข้าใจเนี่ยเข้าใจล้วโอ้ยน่าสงสารคนเกิดมาเนี่ยคุณโยมเอ้ยเกิดมาเล่นเฉยเกิดมาตายแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาสร้างกรรมให้ตัวเองพอมาเข้าใจแค่นั้นแหละเพืของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมาสร้างความมามามาทำลายตัวเองทั้งหมดเลย ก็หากินย mm. ังอาชีพมีแหละทำว่าเขาจะตัวเองทำถูกทำอะไรไม่ถูกมีแต่ผิดทั้งหมดเลยเป็นหมดทุกทุกอย่างแน่เป็นตัดเนิชานเป็นตานรกเป็นเปีเป็นอสุรกายอันนี้มันมันไม่หนีออกจากพวกเราเลยมันอยู่นี่เลยพ่อแม่เราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อายุหนึ่งหนึ่งปีตลอดจนตาย มีแต่สร้างเรื่องเดียวเนี่ยหนีไม่นีไม่พ้นเลยนีไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่คิดทุกอย่างไม่มีใครจะมาทําให้นั่นเลยบัตนี้ถ้าคิดไปคิดไปมีเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครจะมามามาทำให้เราเลยความทุกข์อะไรเดือดร้อนทุกอย่างความอดความอยากความขับจนวุ่นวายอะไรทุกอย่างน่ยเราทํามาไว้แล้วเราเกิดมาเนี่ย เกิดมาแล้วเราพ่อมันตายไปแล้วมันก็ไปสรางกรรมันนั่นแหละกว่ากวนจะหมดหมดกรรมนั่นกว่าจะหมดกรรมนั้นก็จะได้กลับขึ้นมาเป็นคนอีกเขาไม่รู้หรอมันไม่ไม่รู้จะทําไม่มีทางที่จะบอกมันมันไหลมันหลไหลมาเชืแล้ววันนี้ทุกทุกอย่างที่เราเกิดมาในชาติเดีเป็นคนมาเนี่เกิดมาชาติลังอะเราก็มากินอาหารของเรานี่ยแหละเบกอมัน อันที่ของของเราใช้ไว้แต่เก่าแต่ก่อนนั่นแหละที่เรามาทําอยู่เนี่ยเธอเออมันเราทําบุญให้ทานการรักษาชิ้นเนี่ยทำอยู่เดี๋นี้ทำมีมีแต่ทําแบบนั้นแหละแต่ว่าบุญอยากได้มามาทํานี่ไม่ไม่เคยได้มาทําเลยเนี่ยแล้วก็กินแล้วก็มาใช้ใช้ทุนเก่าทุนเก่าเนี้ยมากินเลยนี่ยแต่ทุนใหม่นั้นก็เรามาทําอีกนี่แหละเขามาทําแบบนี้ทําควาดีของเรา มาทำทำแล้วก็พอได้อยู่ได้กินเกิดมากระเบียนไหวตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยไปทาไปเข้าวัดฟังทำรักษาสิ้นก็มันมีอยู่แต่ว่าส่วนวิปัตนาที่เรามาทำเนี่ย ยากยากเลยแหละก็กว่าจะเกิดเป็นคนมาเนี้ก็เกิดในคำามาเนี่ยูถึงว่าบุญวัฒนามากที่สุดอันนั้นเราเป็นคนมานีคือเรามาสร้างกรรมทั้งเวีนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพเดชาตินี้แหละมาสร้างขึ้นแล้วก็อตายไปวกวนเวียนไหวตายเกิดไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นแนละดู่อย่างนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเอบางคนก็ทําบาปหยาบช้า ที่เราทําอ่ะก็กรรมนั้นมาสนองกรรมนี้อันมาสนองเราทําลงไปแล้วอะมันไม่ไดวกันหรอกถ้าถึงโทษถึงฆ่ากันนั่นมันไม่ใช่โทษของที่เบาๆคนนั้นน่ะเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันรู้เปลี่ยนกันร่างกรคองผานเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันมีอยู่นั่น พวกเราเนี่ยมานี่ค่อยๆไปอย่าไปนั่นพอมาเห็นแบบนี้เน่ยมันจะค่อยดีเอนี่แหละเราไม่ได้มาเรียนม่ได้มานศึกษาธรรมะวินัยอย่างที่เรามาเนี่ยเราก็ไปตามยถากรรมของเราที่อย่างที่เราเคยมาทำมันนั่นแหละเพราะว่ากรรมของเราสร้างมาแล้วมันก็ไม่เท่นั่นแหละมันก็หมุนไปเวียนมาจะค่อยให้มันดีกว่านี้ไป มันก็รู้ยากยากเต็มทีเลยวันนี้เรามาเนี่ยมันเรียกว่าดีที่สุดล่ะหลวงพ่อว่าตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเคยเคยเคยอยู่กับความคิดคิดจนไม่ได้กินนอนไม่จนจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใหญ่ทําไงมันจะหายได้พอ มาเข้ามาเห็นความคิดเจ้าของตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นเนี่ยเนี่ยพึ่งคนอยู่พวกเราเนี่ยทุกทุกคนน่ะเอาความคิดเป็นตะมันเอาความคิดเป็นมวลนิตกทอดจะทําอะไรเอาความคิดทั้งหมดเลยคิดอยากทําอย่างนั้นคิดอยากทําอย่างนี้คิดอยางได้อย่างนั้นคิดอยากได้อย่างนี้คิดอยากบ้างมีเงินทองมีเข้าของอคิดอยากให้มันดี อยากทำอันนั้นทำอันนี้ทําลงไปแล้วก็ไม่สมหวังแล้วบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ของที่มันฝ้าผลไม่เอาให้ลงทุนไปมากๆมันก็ค่อยหายไปแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปจะเอาผลคืนมาก็ไม่ได้ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วรับไม่ทุกทําอะไรใจจริงจะจะหายทุกได้ยิ่งคิดมันก็เท่าไหร่มันก็ยิ่ง ทุกเติมตัวเองไปทั้งนั้นเนี่ยพอมาเห็นเขาใจแล้วไปเห็นความคิดเนี่ยโอ้เออเนี่ยแหละมาเดินเนี่ยเราเดินไปเดินไปเนี่ยมันมีมีแต่ความคิดนี่แะขึ้นมาขึ้นให้เราเห็นนะเห็นเราก็ทูกไปกับมันนั่นแหละจบเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นขึ้นมาจบเรื่องนั้นก็เรื่องนั้นขึ้นมาเออมันก็ ใหม่ๆนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาไปเอามาเราทําไปทำมาเนี่ยมันจะค่อยเห็นเห็นทีแรกก็เห็นคิดยังป ต, ติเรา ย, ยังน้อยอยู่มันก็ปติอยู่ในความคิดแหละคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เพลินไปกับมั น, มนเพลินไปแล้วก็จกิดยังก็มันไปถเพลินไปไม่คิดเห็นก็ไปเอาเรื่องอื่นมาต่ออีกถ้าเราดูกับความคิดน่ะมันจะไม่ง่วงนองเนนอนมันจะเพื่อเพลินไปกับความคิดไป เดนน่หมดวันมันก no okay. ็ไม่มีไม่เหนื่อยเนี่ยถ้าเราไปดูคนคนรู้สึกเนี่ยแม้กรทั่งความเงาเขาานอนมันมามันมันมาทำมาถมเราเราเขาโง่จ่าทาไปทําไปทําไปแบบนี้รอปฏิกะค่อยจับกันเข้าปรับกันเข้าเข้าได้นานเข้านานเข้าอันความคิดไม่ก็หางออกบางทีทันบ้างบางทีไม่ทันบ้าง ก็ทําไปทําไปทําไปแบบนี้คือเห็นความคิดมาติเราแก่เข้ามาแล้วพอคิดเข้ามาเนี่ยเห็นความคิดขึ้นมามันพอพอเราไปเห็นความคิดมันก็หายไปมันก็ขาดออกขาดออกไปแล้วก็เดินไปอีกเดินไปอีกมันกเข้าไปอีกเข้ามีดอ่ะมันทันทัน มันก็ไปนั่นละอยากจยากให้มันหนีไม่อยากให้มันอยู่ไปบังคับมันออกหนีไปออกไปมันก็ไประวเนี่ยพอเราไปบังคับมันว่าก่เกิดความฝื้นซ่านราคาญเกิดสับสนวุ่นวายกับเรานี่แหละอ่มันก็อยากหนีอยากไปคุยัคนนั้นอะไปคุยกัคนนี้เราไม่เห็นได้อะไรนาะปฏบัติธรรมมานี่ยมาหลวันแล้วว่าเห็นเนียมันก็ยังไม่ได้ เนี่ยพ่อไปถามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโอ้มันจะไปจำความคิดซิว่ามันปวดทั้งปวดหัวนะไม่ถ้าว่าไม่ปวดนะท่านมาบอกว่าให้มองไกลให้เราอยู่กับตัวถึกนี้ตัวรู้สิเนี่ยอย่าไปคิดไปตัวนี่ดหละให้อยู่กับตัวการขคืนไหวเนี่ยยกมือก็ให้ดูจัก เออมันปวดมันเหนื่อยมันล่ามันหิวอะไรก็แล้วแต่หลังให้เข้ามาอย่าไปอยู่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นให้มาอยู่กับตัวนี้ตัวลูเนี่ยตัวทุ่งเทนะเนี่ยเนี่ยพอเราลูกจากชัดเข้าชัดเข้ามาอยู่กับตัวนี้กับทุ่งเทท่านบอกว่าให้ทุ่งเทเลยความพูดอยไม่ต้องไม่ต้องไปยันเลยความหวงเอาห้อนอนก็ไม่ต้องกลัวหรือมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล่าหิวนั่นแหละตัวธรรมชาติของเราอ่ะ มันเกิดมานะ่ะสัญชาตญาณเรามันอเกิดมาตแต่นานแล้วเนี่ยต้นตะกอนเราเคยไปเป็นกัมมันมันเป็นทุกข์พาะอะไรเพราะอันนี้เราเราไปเป็นกัมมันต์กบัด น, นี้อย่าไปเป็นกัมมันมาอยู่ตัวรู้สิ่งนี้ตัวพึ่งเราได้อันนี้แหละบนนัดนี้ก็อยู่กับตัวรู้มาทําบัดนี้โถทายใส่เลยเอ้ยเป็นอะไรก็ช่างน่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงยกมือยกตะพุ่งตะพูไปมัน น่วงนอนกแรงๆยกมือจนจะขาดตัวแหละแล้วทแรงอ่ะเอาไปเอามาลุกลุกชวยชกมวยคนนึงเดียวช่วงลบชกร่มชกแรงไปเลยแหละหมู่เขาเห็นเขาขู่เขาขวัญหัวหัวเขาไข่หัวลอกกระชางมันแล้วก็ทำไปทั้นันแหละเอาไปเอามาเมื่อก่อนหายบัดี้ก็พอมันเกิดมาอีกเกิดขึ้นมาอีกกับเอาอีก พอจนมันดูเอาไปมานี่พอมันได้ที่มันถ้ามันแล้วก็มันกู้ได้ทุกอย่างเนี่ยความงงงงนอนอะไรก็หายหีหมดแล้วยังอยู่เตะนี่แหละมันก็หมดแล้ววันนี้พอเห็นความคิดปิดคิเองความคิดเนี่ยปุบมามันก็ขาดออกคิดปบมาเพราะขาดออกเนี่ยพอเห็นอันนี้แหละมันจะเบาไปเบาไปเบาทั้งกายเบาทั้งใจ ความคิดมันค่อยห่างออกห่างออกนานๆนนมันจะคิดออกมาณแหนึ่งพอคิดแล้วเราก็เห็นเ<ป>ห็นมันก็หายไป เ, เราก็มีแต่อยู่กับตัวรู้สึกวันยังคำ่ำก็ อ, อยู่กับตัวรู้สึกพอเห็นสนุกดีเหมือนกันนะบันนี้พอออกมาเมื่อไหร่ไม่ก็ทู่เรามาได้พอคำคิดปอก อ, ออกมาพอเห็นตัมกนนมันก็หนีไปอพอมันคิดมาอีกมันก็หนีไป เราสติแขก้าแล้วไม่ต้องกลัวแล้วบ้นเนี่ยก็เดินไปเดินไปเออได้ความได้อารมณ์เออมันจะเป็นอยู่ทั้งนั้นให้พยายามไปเนี่ยมันอยู่กับตัวเรานี่แหละของโมนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วมีอะไรมาขัดขวางเราต้องผ่านมันไปเลยไม่ต้องกลัวใจกล้านะใจเข้มแข็งรัวตายละ ม alloy, M M oh, oh, i, mm ึงไม่มึงก็กูลัวแล้วเอากันเถอะเอาบอกมันเลยบอกอยู่ในใจของเรานี่แหละวัดปั่นพอดีพันนั่นแหละเดินอ่ะเออพอเหนื่อยบ้างก็เราก็ไปตามใจมันพอมันเหนื่อยก็จะไปดวนพักให้มันเราต้องให้มันเดินอีกจากพักก่อนจนพอหยุดให้มันถ้าอยู่แล้วมันแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเออ ยืนมาเป็นอดีตบทนั่งต้องค่อยพิควะพิจารณาไปไหนไปไหนมาไหนให้กําหนดเราจะปล่อยจิตใจมันออกไปแต่แต่แต่แต่มันตัวเดียวให้เอามาไหวกับเบานี่แหละแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเลยพอเราเราบูมันวันนี้มาเห็นจิตเห็นใจตัวเองเนีมันคิดไปไหนก็ไม่ไปกับมันมันคิดไปไหนก็ไม่ไปกับมัน มันจะเกิดบ้างในจิตในใจของเราเนี่ยมีความเบกบานชงเช่นในจิตในใจของเรามีความปีติอิ่มเอิรูปจากนั้นรูปจากนี้นูปจากลูปผู้จากนามชัดเข้าชัดเข้าใช่เข้าความคิดมันก็พอมาหาเรานี่มันก็ขาดออกไปขาดออกไปไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ไปบังคับบัญชามันยากเลยเนี่ยไม่ก็ คอยอันความจิตใจของเราเนี่ยมันจะเห็นไปสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันจะค่อยรู้ใจใจของเราเนี่ยมันค่อยสบายเข้าสบายเข้าเนี่ยมันไม่ใช่อื่นไกดอกอันกลับหนึ่งกันหนึ่งเนี่ยเราเป็นมาตั้งแต่นานแล้วไปสร้างพวกทางชาติมาอยู่ตลอดเราเกิดมาเนี่ยจนจะยังไม่มาปฏิบัติโน่นนะจนมันปฏิบัติแล้ยังค่อนมาเห็นไม่เห็นความคิดตัวเองนี่แหละพอคุยปุ๊บเราเห็นแล้ว เห็นแล้ไม่ขาดออกไปโอ้นี่ได้กับหึงอ่ะกันนึงอ่ะปฏิปฏิบูชาอันนี้ได้เนี่ยเกิดความภาคภูมิอกภูมิใจขึ้นโอ้นี่ได้อันความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือขวัดมาจากความคิดเนี่ยเขาว่าเรียกว่าโอ้ตหมูไทยตมูไทยนี่ได้เห็นให้เหตุมันให้เกิดทุกหน้าไปเห็นไปเห็นกับ จิตกับใจของเราเนี่ยมันมีความภาคภูมิโอ่อนโอความใจน้อมไปคิดเห็นคาสอนของครูบาอาจารย์นั่นแหละวันนี้สร้างพบสร้างใช่หรือเนี้วบ้นเนี้ยเนี้ยเราสร้างมันตั้งแต่เป็นโยมโยมอันสร้างถึงตรงเนี้ยที่เสร้างสร้างกรรมมดทุกอย่างเรามาสร้างอยู่ในที่เรามามาเป็นคนนี้บัดมารู้จักมาเข้ามาปฏิบัติธรรมะเนี่ย จะรู้จักหมดเลยสิ่งที่เราทํำว่า่ะไม่มีคนมาทําให้เราทุกทักทักทักกดเหยวเลยเราทําเอาเองเราทําลงไปหมดบไม่ว่าท่านวัตถุหรือว่าทางนามารรมันมันมันสร้างด้วยกันไปหมดมาสร้างเอาความอิจฉาความพยาบาทความขี้เกียจที่ข้านความลังเล่สมใสซาละพัดทำมันเกิดขึ้นมาให้เราเราไปเป็นกับมทั้งหมดทั้งต่วัน มันพาทำมาเราเราทำได้ตัวจิตนี่นมันพาเราทำอ่ะแต่ฮะตีหาเปื้อนหาลักโศกขโมยเคยเคยเคยเคยไปเหมือนกันเนี่ยแล้วก็บรรนี้เรามาตัดกรรมตัดเวรนะบัตเนี่ยมาตัดกรรมตัดเวรเนี่ยเรารู้จักแล้วบาปอ่ะคือคนเพื่อนนั่นเองเล็กๆน้อยๆเนี่ยทั้งแต่นี้เลยทั้งอิจฉาพยาบาทหมู่เพื่หมู่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยแหละไปอ่ะไม่ต้องไปทําให้เขาจะืร้อนเพราะว่าเราทํากรรมให้ให้ตัวเองฆ่าคนอื่น ว่าว่าคนอื่นเท่าเท่ากับข ok ่าตัวเองกอแล้วก็ยังไม่ทําอีกแล้ววันน e ี hmm, ้แล้วเราก็จ <sailors! S 1> ัดสบายสบายไปถ้าเราไม่ทาเนี่ยกรรมกรรมเนี uh, ่ยเราต่อไปนี่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบุญให้ท่านเนี่ยเจ้าจะไปเสี้ยวไปเสี้ยวเราจะเอาอะไรมาเลี่ยงแขกเรื่องอะไรเขาพวกพวกบ้านเขาถทำอ่าหลวงพ่อออถ้าเรา เจตนาฆ่านี่มันมันดีนะอันไม่ไม่เจตนาฆ่านี่แ่าเขาทิ้งอ่ะอันนั้นมันได้บาปอันที่ฆ่าที่เราฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าสัตว์เล็กเล็กได้น้อยเนี่ยมันไม่บาปหลายดอกคันเราทําเป็นน่ะฆ่าเจตนาฆ่านี่คือจะมาฆ่าแล้วก็ทําบุญเพลพระแล้วก็สัต์นั้น่ามันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์เป็นอยู่ที่ อันทุ่มจิตภูมมใจมันไม่มีมันมีอยู่แต่ว่ามันมีสติไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอามันมาฆ่าแล้วก็เอาไปให้วัดให้พระไปฉันไปอะไรแล้วก็ทำาี่แหละยาตรวจน้ำแล้วก็ตรงคนบุญไปให้มันอย่างนี้มันก็ได้ได้ได้ไปเกิดที่ดีแล้วก็ไม่ได้ มันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันเมื่อก็จะได้เกิดเป็นคนเป็นอะไรเป็นสัตว์ไปจงสูงข um ึ้นไปกว่านั่นอีกมาเนี้ <BMW. S 2> ถ้าเราทําบุญใหญ่<ม>ทําไงอ่าทำบุญใหญ่นี้ก็<อ>เขาฆ่าเราไม่ได้ไปบอกเขาฆ่าเราไม่บาป<อ>ดอกเขาฆ่าโยนให้ก็ได้ลดแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นไปซื้อหาชื่อเนื้อที่เขาฆ่าไว้นั่นน่ะฆ่าเราก็อามาทําบุญให้กันกินแล้วก็เพระ มามามาถันด้วยเอาไปวัดเครื่งหนึ่งเอากินกับเนี่ยเลี้ยงแขกเลี้ยงอยู่เนี่ยยวัดเนี่ยเหลือจินเหลือทานแล้วก็เอาห่อให้เขาไปเนี่ยเราส่วนธุระมีอะไรไม่ต้องไปซื้อยาสูบก็ไม่ต้องไปซื้อธุระไม่ต้องไปซื้อเนียก็บอกพี่บอกน้องซะบอกว่าทํามบุญเนี่ยจะไม่ให้มีเราไม่ให้มียาสูบเด้อ เอาตั้งแต่บุญเนี่ยใครมาท่านก็ให้ทอดทานท่านไปอันจริงที่เหลยดกินเดียดใช่นะทําให้มันเต็มทําให้มันเต็มตัวให้มันได้สมที่เราลำยากลำบากเดียดกินเดียดกินว่าเอาใช้ให้ละให้โยมให้อย่างพวกมาด้วยกันหมู่พวกพี่น้องมาจากไหลกอฮอให้เขาไปด้วยออย่างนี้เราก็ ยาทวงแล้วก็มันก็หวดแล้วเอามาให้โยมหมดนะเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าทัศนยียบานี้ทิงที่เขาถูกฆ่าที่มาให้เราไปซื้อเนื้อมาเนี่ยเขามาด้เจตนาฆ่าแบบที่อเอามาทําบุญให้ทานเขาว่าทำฆ่ามาจําขายเอาเงินเอาทองเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อแล้วมาแล้วบานี้ส่วนเนู้นที่มันเราซื้อมาแล้วเนี่ย เราทำบุญแล้วตรวจนา้าไม่ให้สัตว์เหล่นบบา น, นั้นแหละให้ไปเกิดบนดีบนพื่ดีมีเงินที่ได้รับต่ความทุกข์ความเจริญจะมาย่งยั ง, ย, งย่งกิเลกับผลจนให้กับจัดริชานนี่ขอให้ปัดทุกตัวนั้นไปนรับผลบุญในครั้งนี้ให้โยนทุกตัวนั่่ะทาทุกโมทนาไปเลยได้เท่าไหร่นี่แหละไม่ต้องบาป ฆ่าสัตว์อย่าไปกลัวบาปข้าใมันเป็นนั่นแหละเราทําได้เนี่ยมา่มันก็ได้เงียโยมบวชพ้นบุญทั้งบนดนี่แหละเรามาทำได้จากไม่รู้จากกี่กับกี่กันหรอกจึงไกได้มาถึงพุทธศาสนาแบบพวกเราที่มาเปิดพุทธปฏิบัติตัวเนี้ยพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้คือสอนให้ออกให้เราออกจากทุกข์เท่านั้นแหละ ไม่ไล่ให้เราอิจฉาไม่ให้พยาบาทไม่ให้ปองเลงจองเรนจองกรรมกันเนี่ยให้อยู่ด้วยความธรรมคีเนี่ยคนเราเนี่เกิดมานั่นน่ะหนีจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เอต่างคนต่างก็พอเท่าเท่ากับว่าตัดจินระหารคิดไปบิดไว้หมดทุกคนแหละคนแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเดินคน เดินไปหาหลักประหารวันที่เก้าหละกเก้าไม่รู้ว่าใครจะไปตกไปถึงหลักประหารนั่นก่อนใครถ้าถ้าไปตกแล้วก็ผู้นังกระต้องไปก่อนผู้ใหญ่ไปก่อนก็มีผู้เด็กน้อยไปก่อนก็มีคนหนุ่มคนสาวไปก่อนก็มีมาที่หลังก็มีมันเอากำหนดไม่ได้อันนี้มันไม่แน่นอนนี่แหละพวกเราตายทุกคนเนี่ยให้ก่อนจะตายเนี่ยก็ขอให้ได้สิ่งดีๆติ ด, ด, ด, ด, ดตัวไป ท่านถ้าหากว่าเราไม่มาสิ่งที่เรามานี่เราก็โกรดมาเล่นนะเกิดมาหาอยู่หากินแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกคนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติโน้นเขาก็เป็นข้าวเปลือกที่ว่าจะเอาหน่อเอาเด้ามันอนอยู่นี่เพียงมันสรกเรานี้แหละถ้าไปหมดก็ไม่ไม่มีข้าลวละต่อไปจะเอาทํามันทําหน่อทํามแนวก็ไ ม, มีเหมือนพระทุกวันนี้แหละพระก็ เนพวกที่ไม่ปฏิัติก็มีพวกปฏิวัติก็มีพวกเราพลาดเข้าใจแล้วก็จะได้ไปก่อนเขาเขาก็จะได้ไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจากเมื่อไหร่มันจึงจะได้ไปถ้ามาทำถ้าไม่ทาก็ไม่ได้ไปนี่บุญวัฒนาให้เราหน้าธรรอดสาวให้ขยันมันเพียงให้รู้จักเก็บพร้อมรอมเรียบรู้จักซื่อจักหาจักเอาอยาไปทา ให้คนอื่นเขาเจ็บอกกีดใจแค้นอกแค้นใจให้มีความธรรมคีต่อกันให้มีความเมตตาต่อกันอย่าเอาลัดเอาเบียบกันนี่ยนะถ้าเราทําก็มันก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเราะฉะนั้นให้เราพยายามเกิดมาในชาตินี้ให้เอาความดีไปให้ได้เนี่ยถ้าเรามีกิเลสอยู่ถึงปฏิบัติดีเท่าไหร่ มันก็ต้องมาเกิดอีกอยู่นี่แหละเกิดมาแล้วก็อยู่เป็นสูงเนี่ไปคุณโยมจิตใจของเราเนี่ยมันค่อยสูงขึ้นตูงขึ้นเนี่ยไปเพื่อไหนเรียกสามใบกับยอดนั่นแหละไม่อยู่ต่ำไม่ลำบากเกิดมาเป็นคนก็ไม่ลำบากนะเดี๋ยวนี้เราแล้วไปทำอะไรไว้ไม่รู้อะไรต่ออะไรหรอกเนี่ยมาเกิดมานี่มันได้ทุกได้ยากเลนเนี่ยถ้าเราทาดีมันก็ได้ดี ถ้าทำช่วก็ได้ชัว่วเอาละเนาะผูดแต่เพียงทัวนี้ก็ข อ, อยุติเพียงนี้คอยญาติโยมทุกคนต้งอกต้งใจปธิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้ของภูทธศาสนาคือกีบใจมันสว่างมันทะอกงบมันบริสุทธิ์มันสดใสมันว่องไวเท่าทันเหตุการณ์ต่างคนก็ต่างมีสติปัญญาเกียบแย้มฉโลยฉลาดพุชักทุกตอกกัทุ ก, ออก ไม่ไม่เป็นคนที่ทุกยากลำบากเหมือนัแต่ก่อนวันนี้ขอให้ท่านทุกๆคนจงประกบพระเป็นังนใจของที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวอังนีาทุกท่านทุกคนเชิญ